สอคติอคขมนะว่าด้วยการไม่ลําเอียงไม่ลําเอียงเพราะชอบ383ถามอย่างไรชื่อว่าไม่ลําเอียงเพราะชอบตอบภิกษุเมื่อแสดงอธรรมว่าเป็นอธรรมชื่อว่าไม่ลําเอียงเพราะชอบเมื่อแสดงธรรมว่าเป็นธรรม ชื่อว่าไม่ลำเอียงเพราะชอบเมื่อแสดงสิ่งมิใช่วินัยว่ามิใช่วินัยชื่อว่าไม่ลำเอียงเพราะชอบเมื่อแสดงวิไนว่าเป็นวินัยชื่อว่าไม่ลำเอียงเพราะชอบเมื่อแสดงสิ่งที่พระตถาคตไม่ได้พาสิทธไว้ไม่ได้ตรัสไว้ว่าพระตถาคตไม่ได้ภาสิทธไว้ไม่ได้ตรัสไว้ชื่อว่าไม่ลำเอียงเพราะชอบ เมื่อ <Memory. S 2> แสดงสิ่งที่พระตถาคตได้พาสิทธไว้ได้ตรัสไว้ว่าพระตถาคตได้พาสิทธไว้ได้ตรัสไว้ชื่อว่าไม่ลำเอียงเพราะชอบเมื่อแสดงจริยาวัดที่พระตถาคตไม่ได้ทรงประพฤติไว้พระตถาคตไม่ได้ทรงประพฤติมาชื่อว่าไม่ลำเอียงเพราะชอบเมื่อแสดงจริยาวัดที่พระตถาคตได้ทรงประพฤต ว่าพระตถาคตได้ทรงประพฤติมาชื่อว่าไม่ลำเอียงเพราะชอบเมื่อแสดงสิ่งที่พระตถาคตไม่ได้ทรงบัญญัติไว้ว่าพระตถาคตไม่ได้ทรงบัญญัติไว้ชื่อว่าไม่ลำเอียงเพราะชอบเมืม่อแสดงสิ่งที่พร ะ, ะถรญญตาระะถาคตได้ทรงบัญญัติไว้ว่าพระตถาคตได้ทรงบัญญัติไว้ชื่อว่าไม่ลำเอียงเพราะชอบ เมื่อแสดงอนาบัตว่าเป็นอนาบัตชื่อว่าไม่ลำเอียงเพราะชอบเมื่อแสดงอาบัตว่าเป็นอาบัตชื่อว่าไม่ลำเอียงเพราะชอบแสดงอาบัตหนักว่าเป็นอาบัตหนักชื่อว่าไม่ลำเอียงเพราะชอบเมื่อแสดงอาบัตที่มีส่วนเหลือว่าเป็นอาบัตที่มีส่วนเหลือชื่อว่าไม่ลำเอียงเพราะชอบ เมื else, yeah, really? yeah. Yeah. Yes. Okay. Yeah. ่อแสดงอาบัตไม่มีส่วนเหลือว่าเป็นอาบัตไม่มีส่วนเหลือชื่อว่าไม่ลำเอียงเพราะชอบเมื่อแสดงอาบัตชั่วยาบว่าเป็นอาบัตชั่วยาบชื่อว่าไม่ลำเอียงเพราะชอบเมื่อแสดงอาบัตไม่ชั่วหยาบว่าเป็นอาบัตไม่ชั่วยาบชื่อว่าไม่ลำเอียงเพราะชอบ ภิกษุชื่อว่าไม่ลำเอียงเพราะชอบด้วยอาการอย่างนี้ไม่ลำเอียงเพราะชังส84ถามอย่างไรชื่อว่าไม่ลำเอียงเพราะชังตอบภิกษุเมื่อแสดงอธรรมว่าเป็นอธรรมชื่อว่าไม่ลำเอียงเพราะชังเมื่อแสดงธรรมว่าเป็นธรรมชื่อว่าไม่ลำเอียงเพราะชัง ละเมื่อแสดงอาบัตชั่วหยาบว่าเป็นอาบัตชั่วหยาบชื่อว่าไม่ลำเอียงเพราะชังเมื่อแสดงอาบัตไม่ชั่วยาบว่าเป็นอาบัตไม่ชั่วยาบชื่อว่าไม่ลำเอียงเพราะชังภิกษุชื่อว่าไม่ลำเอียงเพราะชังด้วยอาการอย่างนี้ไม่ลำเอียงเพราะหลงสามห้าถาม อย่างไรชื่อว่าไม่ลำเอียงเพราะหลงตอบภิกษุเมื่อแสดงอธรรมว่าเป็นอะธรรมชื่อว่าไม่ลำเอียงเพราะหลงเมื่อแสดงธรรมว่าเป็นธรรมชื่อว่าไม่ลำเอียงเพราะหลงละเมื่อแสดงอาบัติชั่วยาบว่าเป็นอาบัติชั่วยาบชื่อว่าไม่ลำเอียงเพราะหลงเมื่อแสดงอาบัติไม่ชั่วยาบ ว่าเป็นอาบัตไม่ชั่วหยาบชื่อว่าไม่ลำเอียงเพราะหลงภิกษุชื่อว่าไม่ลำเอียงเพราะหลงด้วยอาการอย่างนี้ไม่ลำเอียงเพราะกลัว385ถามอย่างไรชื่อว่าไม่ลำเอียงเพราะกลัวตอบภิกษุเมื่อแสดงอาธรรมว่าเป็นอาธรรม ชื่อว่าไม่ลำเอียงเพราะกลัวเมื่อแสดงธรรมว่าเป็นธรรมชื่อว่าไม่ลำเอียงเพราะกลัวละเมื่อแสดงอาบัตชั่วยาว่าเป็นอาบัตชั่วยาชื่อว่าไม่ลำเอียงเพราะกลัวเมื่อแสดงอาบัตไม่ชั่วยาว่าเป็นอาบัตไม่ชั่วยาชื่อว่าไม่ลำเอียงเพราะกลัว ภิกษุชื่อว่าไม่ลำเอียงเพราะกลัวด้วยอาการอย่างนี้นิคมะคาถาผู้ใดไม่ประพฤติล่วงธทรรมเพราะชอบเพราะชังเพราะกลัวเพราะหลงยศของผู้นั้นย่อมเต็มเปี่ยมเหมือนดวงจันทร์ในวันข้างขึ้นฉะนั้น